เข้าเหมาฉลยได้ก็คือให้ทาเหมาเฉลยได้พิจารณาว่าโอใครที่มีความดีมากๆนี่ก็จะได้รับสิทธิพิเศษหรือว่าได้ขนานเพิ่มเติมนะในการรับเข้าเรียนในเหมาเฉลยอันนี้ก็มีการ อ, าอภิปรายโตเถียงกันพอสมควรที่จริงเรื่องการทำความดีนะ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 เขาทำอาหารให้เรากินนะเขาตื่นมาแต่เช้านะหรือว่าคนที่ใส่บาให้กับเราเขาไม่ได้อ่ให้กับเราแบบจอะจงนะก็ให้กับพระลุอื่นด้วยแต่ว่าเราก็สานึกในบุญคุณของเขาก็จดเอาไว้นะหรือว่าคนที่มากวาดทำความสะอาดเก็บขยะให้เรานะเขาอาจจะไม่ไรู้จักกันเอยเป็นส่วนตัวแต่ว่าเราก็ทราบซึ้งในความดีแล้วก็จดเอาไว้นะ